หลวงพ่อตอบคำถามโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปร่วมจัดทรรมโดยสรวุฒิช่างพินิษตสอนยาทองนาศิริวันชาคริษฐากูลวันนิสาเมเดลสมศรีพัทรธรรมคำถามที่หนึ่งหลวงพ่อครับเวลานั่งสมาธิทำไมชอบคันตามร่างกายทั้งทั้งที่อาบน้ำแล้ว จะแก้ได้อย่างไรครับบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นเวลานั่งทำสมาธิคันทั้งจมูกคันทั้งหน้าคันคอไอจามเกิดเรื่องไปเลยเป็นเรื่องมารบกวนคันทมานท่านว่าเราต้องวางไม่สนใจถ้าหยุดลองดูสิไม่คันนะ ไม่จามไม่อายด้วยอาตมาเทศก็เหมือนกันให้ฟังไอจนผีจับไม่ได้ฟังเทศเลยบางคนนะ่ะเวลาไปคุยกันตั้งสามชั่วโมงไม่อยสักทีเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมเขาเรียกคันธมารต้องทิ้งไม่ต้องสนใจมันจะขันก็ไม่ต้องไปเกาลองดูสิมาดูลมหายใจเข้าออก ไม่สนใจมันแล้วเหมือนอาตมายุงกัดก็ไม่สนใจถ้าไม่สนใจมันก็ไม่มีไม่ใช่เป็นโรคคันมันคิดขึ้นมาที่จิตมันคันตรงนั้นมันคันตรงนี้จิตไม่สงบมันดิ้นอยู่มันก็เลยเป็นผู้ใดเป็นอย่างนั้นรีบวางซะไม่คันไปถึงไหนหรอกมันคิดขึ้นมาเฉยๆที่จิตมันรบกวนไม่ให้สงบ คำถามที่สองเกิดอาการทางจิตเมื่อเรานั่งทำสมาธิเจริญภาวนาพอจิตเริ่มสงบลงมักจะเห็นสิ่งต่างๆบางครั้งเหมือนกับว่าเรามีตัวคนเดียวแต่ความรู้สึกก็ยังมีอยู่อะไรเกิดขึ้นก็รู้ตัวอยู่เสมอถ้าหากเราทำไปนานๆจะมีโทษหรือไม่คือเห็นสิ่งต่างๆในขณะที่นั่งสมาธินี้ บางท่านก็อาจจะไปเห็นเทวดาเห็นสิ่งต่างๆอย่างนี้ในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอย่างเนี้ยจะแก้ยังไงครับถ้าพูดตามความจริงแล้วเมื่อกี้บอกลัดไปถ้าจิตใจสงบไปถึงอุปจารสมาธิถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วพอจะออกไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ดับเสีย จิตมันถอนออกจากความสงบจากอุปจารสมาธิถ้าหากว่าเราเห็นแสงสว่างอะไรทุกอย่างก็ตามจะต้องมากำหนดดูจิตของเราอยู่ในอารมณ์อะไรแสงสว่างนั้นจึงเกิดขึ้นพอกำหนดมาดูอยู่ในอารมณ์นี้แหละแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างจึงจะสว่างเต็มที่ที่แรกแสงสว่างก็จะมีหลายสี พอเรามากำหนดดูอยู่ในอารมณ์อะไรนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นแสงสว่างจะนิ่งเป็นสีอ่อนแสงเดียวกันสว่างอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสว่างอยู่อย่างนั้นเราก็ดูตั้งแต่จิตของเราตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นจะเห็นอะไรต่างๆอันนี้คนมีบารมีคนคิดมาหาก็จะเห็นตัวคนนั้นได้ อยู่ต่างประเทศอยู่จังหวัดต่างๆก็ได้เห็นชัดเจนถ้าเห็นชัดเจนพอจะออกไปดูเท่านั้นมันดับเสียเพราะจิตถอนออกจากอารมณ์ออกจากความสงบของเขาถ้าเราไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็ดูอยู่ว่าโอ้คนนั้นคนนี้มาหาเราเข้าใจเราก็เลยถามได้ถ้าจิตใจสงบดี ถามเขาว่ามาทำอะไรถามได้ถือว่าเก่งแล้วนะจับอารมณ์ของตนเองได้จิตตั้งอยู่ในความสงบจับอารมณ์นั้นได้ดีพอจะไปถามมันดับเสียจิตออกจากอารมณ์จะเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าพระก็ดีโยมก็ดีสามารถจะเห็นว่าเราจะไปที่โน่นเราไม่เคยไปสักทีแต่ว่ามันเห็นไปก่อน ถูกต้องจริงๆอันนั้นไม่ใช่ฝันภาษาธรรมะเรียกว่านิมิตแสงสว่างเกิดขึ้นถ้าฝันเนี่ยฝันแล้วก็ไม่เห็นสักทีฝันว่าได้เงินโบดได้สักทีนั่นเขาเรียกว่าฝันฝันว่าคนนั้นจะมาหาก็ไม่ได้มาสักทีถ้านิมิตไม่เห็นมาจริงๆถืออะไรเห็นหมดเนี่ยละ่ะที่พระเข้าไปหลงอยู่ตรงนี้ อยู่ตามถ้ำตามเขาบอกเบอร์บอกหวยหลงทางกันอยู่ตรงนี้เองแต่มันตรงนะสักสามงวดตรงมากเลยทีเดียวบางทีโยมฝันฝันอย่างนี้ไปซื้อถูกจริงๆนั่นเขาเรียกนิมิตจิตต้องสงบอุปจารสมาธิมันเดินทางได้เครื่องทางยังไม่ถึงอ ป, ปนาสมาธิไม่อยากให้คนไปติดตรงนี้ บางทีก็เห็นเหมือนกับเห็นคนในเมืองสวรรค์เห็นคนสวยแท้มีแต่คนสวยๆเป็นหมูอยู่นี่เมืองอะไรสามารถถามได้อันนี้เมืองสวรรค์ดาวดึงยามาหรือชั้นใดเขาจะบอกให้ว่าชั้นนั้นชั้นนี้สามารถจะเห็นได้ถ้าไปติดอยู่ที่นั่นก็เหมือนเราเดินทางไปไม่ถึงเมืองที่เราจะไปไปได้แค่ครึ่งทางไปติดอยู่ติดอยู่นั่น่ะ ถ้าไม่ละสิ่งนี้ดังนั้นเราต้องไม่สนใจคำว่าเราจะละไม่สนใจเหมือนเรายือนอยู่สี่แยกมีคนเดินไปเดินมาไม่ถามใครทั้งนั้นใครจะไปไหนก็ช่างนี่เขาเรียกปล่อยนิมิตปล่อยเรื่องแสงสว่างจะทำให้จิตใจสงบลึกลงไปและไม่สนใจปล่อย จิตจึงจะสงบลงถึงอัปปนาสมาธิได้นี่พูดลัดทิ้งเลยไม่เอาเอาไว้ที่หลังไม่เป็นไรหรอกแล้วไปเอาถึงอัปปนาสมาธิจนจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วยังถอยมาดูก็ได้เหมือนเราขับรถเดินทางเออไฟเหลืองอยู่สี่แยกขับรถผ่านไปก่อนไปแล้วอยากหันมาดูไปจอดรถดูอยู่โน่นได้ ไม่เป็นไรไปดูเพื่ออยากเข้าใจอย่างนั้นเขาเรียกว่าถอยหลังกลับขึ้นมาดูอีกทีเหมือนว่าเราผ่านไปแล้วอยากไปทำอย่างนั้นคือให้ถึงอปปนาสมาธิก่อนญาติโยมจะได้เข้าใจจิตมันเร็วเกินไปถ้าถึงอุปจารสมาธิมีแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นนิมิตแล้วถ้าจิตมันเร็วมันเข้าถึงอปปนาเลย ถ้าเราค่อยๆให้จิตเราสงบไปเรื่อยเมันจะไปถึงได้ยินเสียงเสียงมีคนพูดเสียงสอนธรรมะได้ยินเสียงต่างๆเราก็จะหาว่าได้หูทิพย์อยู่เชียงใหม่หรืออยู่ประเทศอื่นคนพูดเรื่องของเราได้ยินชัดกว่าโทรศัพท์ดีมากเลยจับเอาไว้เขาคิดด่าเราเขาคิดไม่ดีกับเราเขาคุยกันอยู่คนละจังหวัด ได้ยินเสียงดังกว่าโทรศัพท์อันนั้นเรียกหูทิพย์เราก็เดินทางไปปฏิบัติไปถึงอุปจาราสมาธิมีแสงสว่างค่อยๆเลื่อนจิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปก็ไม่ได้ยินเสียงไปหยุดฟังเสียงอยู่เหมือนกับเราเลื่อนเข็มวิทยุพอมันถูกสถานีมันจะดังอยู่นั่นแหละจับไว้ตรงนั้นถ้าเลื่อนเขาไปนั่น เขาจะดับไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ต้องสนใจเข้าถึงอปปนาสมาธิแล้วอัตมาก็จะเตือนว่าเมื่อไปติดอยู่นั่นจะไปไม่ได้ไม่มีโอกาสจะไปวัดไปวากันทุกคนถ้าหากสามารถไปได้ไปหาอัตมาได้อัตมาเข้าใจชัดเจนเลยเรื่องอย่างเนี้ยเพราะฝั่งคนกรุงเทพจะชวนอัตมาไปที่ไหนพอไปถึงวัด เราทวงก่อนเลยยมจะมาชวนอาตมาไปที่นั่นเขาก็งงว่าทำไมหลวงพ่อรู้เขาคุยกันอยู่กรุงเทพตอนนั้นเอาไว้ใช้ก็ได้แต่มันจะไปติดว่าคนนี้ได้หูทิพต้องระวังเขาไม่ให้ติดอยู่ที่นั่นฟังสนุกเข้าไปอยู่คลื่นนั้นดิไม่ดีไม่ได้นอนไม่ได้พักกันหมดแต่ฟังคนคุยเรื่องต่างๆ คำถามที่สการภาวนาโดยใช้คําบริกรรมจะทำให้ล่าช้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่เพราะบางท่านบอกว่าแค่รู้สึกเฉยเฉยก็พอแล้วจะมาเฉยเฉยได้ยังไงยังไม่มีปัญหาจะไปแก้ไขปฏิบัติการอยู่เฉยเฉยนิ่งสักหน่อยได้นิพพานแล้วนิพพานสามนาทีหนาที มันจะเห็นนิพพานได้ยังไงยังไม่มีปัญญาละความโง่ความโกรธความหลงให้หมดไปจะไป น, นิพพานได้งไงถ้าอย่างนั้นก็ไปโรงเรียนเดอสมุดบินสอปักกาสภายเปย้ไปเรียนอนุบาลแล้วเข้ามาหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมมาดูแป๊บเดียวเรียนจบหมดแล้วกลับบ้านแล้วได้ปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วได้ไหมมีคนเคยไหมไปอนุบาลมา แล้วมามหาวิทยาลัยเลยได้ไหมไม่มีหรอกมันต้องไต่ขั้นระดับการปฏิบัติต้องเป็นขั้นตอนเหมือนคนเราไปเหยียบลูกบันไดลูกแรกกระโดดขึ้นไปลูกที่เก้าก็ตกขาหักสิมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นขั้นตอนที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสแก้ตัวนี้หลุดตัวนี้ตัวใหม่มาอีกหลุดตัวนี้ตัวใหม่มาอีกกิเลสเนี่ย มันไม่ได้ตัดง่ายๆนะพระพุทธองค์สอนไว้ทางเกิดด้านปัญญาได้แก่หนึ่งจินตามยะปัญญาจินตนาการพิจารณาอยู่จนเหนื่อยจะถูกหรือผิดพิจารณาอยู่นั่นแหละมันจะจริงหรือไม่จริง 2. ส, สุตตามยะปัญญาการได้ยินได้ฟัง เคยได้อ่านหนังสือฟังเทศครูบาอาจารย์น้อมนำคำเทศไปปฏิบัติไปวิเคราะห์วิจัยจริงๆงจังๆอย่างนั้นเหมือนกับพระสาวกฟังเทศพระพุทธเจ้าฟังแล้วไปไตรตรองใคร้ครวนถึงได้บรรลุธรรม 3. ภาวนามยะปัญญาต้องเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก่อน ตัวนี้อาตมาว่าไปเร็วกว่าทุกอย่างสำหรับตัวเองนะการภาวนาเร็วเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะจิตนิ่งพะเราไปเห็นกิเลสอยู่ในจิตใจกิเลสไม่อยู่ที่อื่นเราเห็นตัวมันความโลภความโกรธความหลงเราคิดว่ามันอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไถ่แบกขึ้นเขาจนเหน็ดจนเหนื่อยแต่กิเลสมันอยู่ในใจของเรา เราขึ้นเครื่องบินมันขึ้นไปด้วยมาเนี่ยก็มาด้วยกิเลสเนี่ยไปไหนมันไปด้วยทั้งนั้นอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เราก็ต้องมาค้นตรงนี้จิตสงบมันสงบอยู่ก็เหมือนคนสงบอยู่มันจะไปทางซ้ายหรือทางขวาเหมือนพ่อกับแม่ดูลูกสาวลูกชายอยู่ในเมืองกรุงหรือเมืองไหนก็แล้วแต่ พอมันดื้อมันสนไม่สงบไม่อยู่บ้านพอจับได้ให้ยืนดูอยู่ดูลูกเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาจะไปทางถูกหรือทางผิดคือจิตใจเออเลยเข้าใจไปทางนี้มันจะผิดนะลูกเดินทางนี้จะถูกเข้าดูอยู่เรียกว่าสติคือพ่อสัมปชัญญะคือแม่จิตใจของเราที่ไม่สงบเหมือนกับลูก มันดื้อมันซนไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่มันเที่ยวเก่งในเมืองกรุงรู้จักหมดทุกซอยพ่อแม่ไม่รู้แก่เท่ามันเดี๋ยวมันไปเที่ยวอยู่ที่ไหนหาก็ไม่เจอสักทีก็เหมือนจิตที่ไม่สงบควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างอาตมาไปสอนฝรัง่งเขายอมรับเขาเข้าใจเลยว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดเข้าใจเองเนี่ยละ่ะฝรั่งไม่รู้จัก ก็เลยยกเอาแบบนี้ไปใช้ให้ฝรั่งเข้าใจฝรั่งเข้าใจก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่ปล่อยไปธรรมดานี่หละเทคนิคว่าภาวนานี้เข้าใจได้ง่ายกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าภาวนาจิตใจสงบเหมือนกับนั่งมองตรงๆอยู่ก็เหมือนกับอัตมาไปอธิบายอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียถือไฟฉายด้วยกลางคืน เขามานั่งฟังกันพอฉายไฟไปไปฉายมันแกว่งอยู่กับภาพดูภาพไม่เข้าใจเลยพอไฟฉายนิ่งตรงภาพเห็นชัดเจนเลยชื่อภาพของใครเข้าใจชัดเจนเหมือนจิตนิ่งฝรั่งยอมรับเข้าใจนั่นแหละเหมือนจิตของเรานิ่งเราจึงเห็นความโลภทําให้เกิดทุกข์จะได้มีปัญญาแก้ไข ความโกรธโกรธซสีตนเองหน้าเหี่ยวหน้าแห้งแก้ได้ไหมได้บางทียังยิ้มได้เดี๋ยวมันก็ยิ้มดับทุกไปแล้วถ้าคนหลงหลงโรงหนังว่าง่ายๆตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยหลงนั่งอยู่เวลาแก่มาแล้วโอ้ยเสียเวลานอนไม่ไปดูแล้วไม่หลงละได้แล้วผู้ยังหลงไปงมอยู่น้น ไปดูเงาเขาอยู่บนภาพเขาหลอกจนตาแห้งหมดธรรมดามันต้องหลงก่อนเมื่อจลาดแล้วก็ไม่หลงไม่ไปอีกฉะนั้นเราจะเห็นทุกก็เหมือนเราจับไฟเราไปจับไฟมันไหม้มือเจ็บบอกมันจับอีกโนนมันไม่จับถึงเรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นที่ทำให้เกิดทุกมีปัญญาแล้ว ไม่จับอีกแล้วตรงนี้จึงจะเรียกว่าแก้ปัญหาแก้กิเลสอยู่กับตัวเองได้ฉะนั้นขอให้พิจารณาดูว่าเรื่องที่จะได้ยินก็ดีไปเห็นอะไรต่างๆก็ดีให้พยายามผ่านไปเสียก่อนรอให้จิตใจสงบให้มีปัญญาพอที่จะพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อจะแก้ปัญหาอยู่ตรงนั้น ถ้าไปแก้ไขเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานลำเลี้ยงด้วยปัญญาโดยตรงแก้กิเลสโดยตรงเลยทีเดียวถ้าหากจิตใจสงบแล้วก็ไม่ต้องเป็นนั่งสมาธิอะไรมากนั่งเก้าอี้อยู่ดีๆวิจัยเลยว่าเดี๋ยวนี้จิตใจเป็นยังไงคิดเรื่องอะไรจะทำให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขพอได้ยินเสียงอะไร อันนี้จะทำให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขเขาทำกันอยู่ทุกวันนี้เกิดทุกข์เป็นเหตุยังไงไม่ต้องไปนั่งจ้องหลับตาอยู่ลืมตาอยู่นี่แหละนั่งเก้าอี้ดีๆอยู่นี่แหละนั่งวิเคราะห์มีปัญญาหรือเปล่าก็เลยแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ปลดทุกข์ด้วยตนเองคนอื่นแก้ให้เราไม่ได้ใครจะรักเราแค่ไหนเขาก็แก้กิเลสให้เราไม่ได้ เราต้องแก้ด้วยตนเองตรงนี้สิจึงเรียกว่ากรรมเป็นของของตนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นแดนเกิดของสัตว์ทั้งหลายเราทุกคนมาด้วยอำนาจของกรรมกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่รู้เป็นสัตว์มากี่ชาติเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาพบพุทธศาสนาเรียกว่าโชคดีมากเลยทีเดียว พระัดทิศา ส, สนาอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นเขาจะทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายแค่ไหนเพราะเขายังไม่รู้ถ้าเขารู้เหมือนพวกเราอยู่นิ่งๆเงียบๆสบายอยู่ด้วยกันไม่มีใครคิดอยากจะตีกันทำร้ายกันสบายสงบพุทธศาสนานัดทิสันติปารังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบคือความสุขท่านสงบระงับกิเลสกายวิเวกไม่มีอะไรจะรบกวนร่างกายเลยจิตวิเวกจิตใจสงบสบายเป็นสมาธิอุปธิวิเวกสงบจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จะสุขแค่ไหนบอกไม่ถูกนั้นเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าท่านที่พ้นทุกข์แล้ว เรายัางไม่พ้นทุกเราก็ต้องพยายามแก้ตนเองเพื่อให้พ้นทุกแก้เอาเองอตมากแก้ให้ไม่ได้นะไม่มีหลวงตาไหนจะแก้ให้ได้คำถามที่สี่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความคิดคือจะคิดถึงแต่อนาคตหรืออยู่กับเรื่องของอนาคตมากจนเกินไป จนเกิดความทุกข์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเกี่ยวกับความคิดเช่นนี้เราจะหยุดมันได้อย่างไรเรื่องอนาคตพระพุทธเจ้าให้หยุดไว้วางไว้เฉยๆเอาเรื่องปัจจุบันไม่ทุกข์อนาคตคิดแต่จะทำสิ่งนั้นอยากได้บ้านสวยๆสักหลังหรื อ, อยังไงก็แล้วแต่ มันยังไม่ได้เงินยังไม่มีหาเงินก่อนใจสบายอยากได้รถก็เหมือนกันไปลูกข้างรถอยู่นั่นเงินไม่พอก็เบรกไว้สิเบรกจิตใจของตนเองไว้อย่าไปดิ้นรนมากทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นคิดถูกนะอยากสุขอยากได้รถอยากได้เงินแต่คิดมากมันทุกข์นั่นแหละอนาคตยังไม่เกิดจริงเมื่อไรจะได้ ง่ายกว่านี้คืออะไรซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มันยังไม่ออกทุกอยู่นั่นเพราะมันเรื่องอนาคตอยากให้มันออกให้มันถูกมันก็ทุกสิคิดนั่นละ่ะคิดดีอยู่แต่มันทุกพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้คิดมากคิดถูกอยู่แต่มันอยากได้มากเกินไปก็เลยเกินไปเสียอะไรก็ไม่ดีนะถ้าเกิน กินยาเกินไม่ดีกินยานอนหลับเกินไปไม่ได้อะไรทุกอย่างจึงให้พอดีพอดีท่านแบกของก็เหมือนกันถ่านหนักพอดีกำลังจะแบกเพิ่มขึ้นทุกจะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเรียกว่าอนาคตอย่าไปคิดถึงมากกำลังปฏิบัติไปเรื่อยๆหาเงินยังไม่ได้ก็ค่อยหาไปเรื่อยๆ ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มันยังไม่ถึงก็ยังไม่ได้ให้เครื่องหมายอดทนรอก่อนเป็นตำรวจทหารเป็นข้าราชการสีนั่นสีนี่ก็อดทนก่อนเขาได้สี่แปดสี่เก้าสี่สิบสี่บเอ็ดก็ต้องอดทนอนาคตนั่นแหละถ้าไปคิดจะทุกข์นะเกิดทุกข์มันจะได้หรือบ่อได้ปฏิบัติไป วิธีดับอนาคตไม่ให้เกิดกังวลคนไปถามอาตมาว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพจมเป็นทะเลไปถามจนเหนื่อยแล้วเชียงใหม่ก็จะจมเหมือนกันไม่เห็นมีที่ไหนโอนคนไหนที่ถ่ายไว้อาตมาก็เลยถามว่าปี 2,500 ้าอยยักษ์จะลงมากินคนหมดประเทศมันก็ยังอยู่เนี่ยยังไม่เห็นมากินไปเชื่อทำไมนักหนา หมอโหนหมอดูคู่กับหมอเดาอย่าไปเชื่อมากสิพาหลงมันเป็นของศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธฉนั้นวัดที่อาตมาอยู่นี่เป็นวัดพุทธไม่มีวางศิลาเลิกสักอย่างก่อสร้างอะไรอาตมาให้คนไปเถียงอยู่ให้คนไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ไหนสอนให้วางศิลาเลิกอยู่ที่ไหน มันเป็นของศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ของพุทธพุทธเนี่ยทันสมัยเอาปัจจุบันดีทุกวันถ้าเป็นพุทธถ้าเป็นพราหมณ์ต้องเป็นวันจมวันเสียวันฟูวันไม่ดีตอนบ่ายตอนเช้าเวลาเท่านั้นเท่านี้มีหมดเป็นเรื่องของพราหมณ์ถ้าหลงก็พาหลงไปก่อนพระองค์นี้เม่หลงกับพราหมณ์แล้วไม่วางศิลาเลิกสักอย่างเลิกสะดวกอย่างเดียว ถ้าหากมีคนโทรศัพท์นั่งอยู่เดี๋ยวนี้อาตมาจะไล่ไปเลยเขาโทรมาให้ไปเอาเงินสักยี่สิบล้านไล่ลุกไปเลยอย่าเพิ่งฟังรีบไปเอานี่พุทธนะรีบไปเอาเงินเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่ดีพรามว่าวันจมวันเสียแต่พุทธรีบไปเอาเงินเลยนี่พุทธนะเรากลับขึ้นมาวันพรุ่งจะเป็นวันดี พรามจึงไปพูดเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้หมดแล้วเงินพูดแท้นี่แหละเวลาไม่สบายเจ็บท้องเดี๋ยวนี้ต้องไปหาหมอนี่พูธแต่พรามเอ๊วันเนี้ยไม่ดีไม่หายหรอกไม่ไปมันเจ็บท้องเมื่อคืนวันพรุ่งจะไปดีไม่ดีตายก่อนเนี่ยศา ส, สนาพราม พุทธนิทันสมัยมากเลยทีเดียวเอาจริงจังเลยถ้าจะปลูกสร้างจะซื้ออะไรต่างๆคิดดีๆแล้วก็ลงมือเลยพุทนี้ไม่มีวันอาทิตย์วันเสาร์ฉะนั้นถ้ามาอยู่ใครจะไปว่าไม่มีพระองค์ไหนไปว่าให้สักองค์เจ้าฟ้าเจ้าคุณก็บอกอยู่บางองค์จะสร้างโบสถ์อยู่วัดจะวางศิลาฤกษ์วันไหนโอ้ เริกสะดวกพระเดชพระคุณเอ้ยพระองค์นี้เริกสะดวกไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จให้วางศิลาเริกสร้างโบสถ์แบบฝรัง่งออกเดือนกว่าเสร็จนิมนต์ท่านมาดูเอ๊ะไม่วางศิลาเริกทาไมมาเสร็จเร็วเสร็จสิเพราะมีเงินพอไม่ต้องกลัวเลยพุดเนี่ยเขามีเงินพอเขาไม่กลัวมีเงินก่อสร้าง หลังนี้ก็เหมือนกันหลังที่เราอยู่ถ้ามีเงินสามพันล้านสร้างได้สบายไม่ต้องกลัวขอให้มีเงินในกระเป๋าออกแบบเลยนั่นล่ะพุทธรามเหรอโอวางศิลาฤกษ์พวกวัดทุกวัดก็ต้องมีวางศิลาฤกษ์มานิมนต์อตมาไปวางศิลาฤกษ์ตีสองสีสิบนาทีวางศิลาฤกษโอ มันบได้หลับได้นอนทั้งพระทั้งโยมผู้ใดมาให้เริกให้ยามอย่างเนี้ยวางศิลาเริกกุฏิเจ้าอาวาสสร้างสามปีก็ไม่เสร็จไม่มีเงินอาตมาไม่ไปแล้วพระองค์นี้ไม่ไปไม่วางศิลาเริกพระในเชียงใหม่แถวนั้นเขารู้จักหมดว่าอาตมาไม่ค่อยวางศิลาเลิกให้ใครมีตั้งแต่ไปรถน้ำมนตให้บ้านสร้างเสร็จแล้วรถให้อยู่แต่ไม่วางศิลาเิก ขอให้มีเงินเอาแค่นี้ก่อนเนอะคำถามที่หผมฟังธรรมจากหลวงพ่อแล้วต้องการที่จะบวชที่วัดของท่านสามารถบวชสักหนึ่งเดือนได้ไหมครับในวัดอัตมาบวชเดือนหนึ่งก็ดีต้องจบปริญญาตรีแล้วจึงให้บวช ถ้าไม่จบปริญญาตรีไม่ให้บวชปริญญาโทรปริญญาเอกให้บวชไม่มีปัญหาในที่นี้ท่านคงหมายถึงคนที่ยังกำลังศึกษาอยู่นะครับคือให้เรียนจบก่อนถ้าไม่ถึงเดือนหนึ่งก็ไม่ให้บวชให้เดือนหนึ่งเพราะไม่มีเวลาสอนมันไม่ได้อะไรบวช15บห้าวันยี่สิบวันไม่ได้สอนธรรมะไม่ได้วางพื้นฐานว่าเข้าไปในวัดแล้วบวชแล้วได้ประโยชน์อะไร ที่จะเอาติดตัวเองไปจึงนิยมให้เดือนหนึ่งขึ้นไปเพราะเดือนหนึ่งขึ้นไปเคยบวชข้าราชการเป็นโครงการดอยอินทนนท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าหัวหน้าเขาบวชเดือนหนึ่งเขาเคยสูบบุหรี่เก่งดื่มเหล้าเก่งเที่ยวเก่งหยุดได้หมดเลยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเลยเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยทีเดียวเดือนหนึ่งก็ได้ผลดี ให้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเลยให้จบปริญญาโทรมาก็เป็นหัวหน้าเดี๋ยวนี้ให้ผู้หน่วยเป็นหัวหน้าออกทากิจการงานเจ้าของหยุดดื่มเหล้าหยุดสูบบุหรี่หยุดเที่ยวเป็นคนดีคนหนึ่งเขาบวชอีกสองเดือนเหมือนกันพ่อกับแม่ยอมหน้าดำตัวดำหมดมอมกับเหล้ากับบุหรี่คนนั้นก็หยุดเลยหยุดดื่มเหล้าหยุดสูบบุหรี่หยุดขาดไปเลย ทุกวันนี้ยังดีแม่ยังรักลูกชายเก่งเลยไปอยู่กับลูกชายว่าลูกชายทาไมแก้ตัวได้ขนาดนี้อรรมมาสอนให้แก้ตัวเองก็เดือนหนึ่งได้แต่ทุกวันนี้คุมไปให้ได้พรรษาหนึ่งหรือสามเดือนแต่เดือนหนึ่งก็ให้บวชอยู่แต่ถ้าสามเดือนมีโอกาสมากที่สุดที่จะสอนได้เยอะเนื้อหาของธรรมะเยอะ จะได้สอนกว้างๆให้เขาเคยบวชคนที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีอีกเดือนสองเดือนมันจะจบมันยังไม่จบพอบวชแล้วมันไม่ศึกบวชสามปีมันถึงจะศึกมันเลยเรียนไม่ทันเขาอัตมาก็เป็นห่วงทางโลกเพื่อให้เขาได้เป็นขั้นตอนเป็นเกรดถ้าจบปริญญาตรีแล้วถ้าบวชสองปีสามปีถึงจะศึกเขาก็ไปทาปริญญาโทต่อได้ นี่จุดเป้าหมายของอาตมาคล้ายๆว่าห่วงโลกอยากให้เขามีที่พึ่งของเขาถ้าจบปริญญาโทแล้วสามปีจึงศึกไปก็ไปทำปริญญาเอกก็ไม่ต้องไปคอยใช่ไหมมันจบเป็นขั้นตอนและให้เขาทำงานทั้งโลกต่อได้มีลูกศิษย์อาตมาอยู่ออสเตรเลียที่แรกจบปเจ็ดมาขอบวชเป็นสนัมเาณโอ้ย เธอต้องไปเรียนจบมสามก่อนมันก็กลับไปเรียนจบมสามได้ที่หนึ่งตลอดครูก็ไม่อยากให้บวชมันอยากบวชพอมาบวชอัตมาก็ไม่ว่าบวชเป็นพระได้ยีหปีหายห่วงหน่อยที่จบปริญญาตรีอาจารย์เขารักมากทีเดียวก็มันเรียนเก่งมาบวชแล้วไม่สึกเลยเงียบเลยพี่ชายก็ไปบวช ด, ด้วยอีก ได้สิาปีพี่ชายเป็นทหารก็เอาพี่ชายเข้าไปบวชอีกสอนพี่ชายยังเนื้อหมดปัญหาถ้าอยู่นานจึงจะมีประโยชน์ถ้าบวชน้อยบวชเจวันบวช1ิห้าวันไม่มีประโยชน์มีคนหนึ่งปีที่แล้วจะบวชสามวันโอ้ยรีบไปวัดอื่นผ้าก็ยังไม่ได้ซักเลยสึกไปแล้วมันจะได้อะไรยังไม่ได้สอนเลย หลังจากนั้นพิธีกรก็กล่าวขึ้นว่าต้องขออนุโมทนาท่านที่ฟังธรรมท่านนี้แล้วเกิดศรัทธาประสงค์ที่จะบวชหลวงพ่อก็อนุญาตนะครับขอเชิญไปที่วัดอรัญยวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็กล่าวว่าไม่เป็นไรมีบวชอยู่นั่นเยอะอยู่พวกที่จบปริญญาตรีปริญญาโทจะไปทำปริญญาเอกศึกมาสอ ง, ององค์แล้ว จบปริญญาโทแล้วอยากอยู่เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ่อยากศึกสักหน่อยติดหนี้ของรัฐบาลยืมเงินเขาให้สอนอีกใช้หนี้ตั้ง12ปีอยากบวชอยู่มีความสุขพ่อแม่ก็วุ่นวายไม่อยากให้ลูกศึกสอนโรงเรียนใช้หนี้ถ้าว่าใช้ก็เอาเยอะสินะค่าให้เรียนเอาเยอะเนอะล้านหนึ่งต้องเอาสามล้าน เขาบอกเขาไม่มีเงินที่จะให้ส0สิบกว่าล้านบอกไว้เดี๋ยวนี้อยากบวชพรรษาหนึ่งอยู่ที่ห้ 4, าพรรษาสี่พรรษามีหลายองค์อยู่ไม่อยากสึกอยากอยู่เพราะจิตใจเขาสงบแล้วเขารู้จักหนทางปฏิบัติเขาก็เลยอยู่สงบอยู่ได้อยู่สบายสบายวัดนี้ไม่ค่อยได้สวดมนต์หรอกมีแต่ให้ปฏิบัติ ไม่ให้ก่อสร้างด้วยให้พระมุ่งปฏิบัติฝึกหัดจิตใจคือเป้าหมายของอาตมาให้อยู่ในความสงบทายาโยมไปวัดถ้าไปในระหว่างส1บดโมงหรือเที่ยงหรือบ่ายหนึ่งบ่ายสองจะไม่เห็นพระสักองค์เดียวบางหมู่ไปรถตู้ห้าคันหกคันหรือรถทัวพระในวัดไม่รู้นีเที่ยวไปที่ไหนหมดพระท่านอยู่ในกุฏิบาเพ็ญภาวนา โนนบ่ายสี่โมงครึ่งอัตมาจึงให้ออกจากกุฏิให้บำเพ็ญไม่มีกิจอะไรมากวาดลานวัดตั้งใจปฏิบัติภาวนาห้ามไปรบกวนกันด้วยให้อยู่ใครอยู่มันฝึกอยู่นั่นนะ่ะแต่ก่อนฝึกมากับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่เทพหลวงปู่ขาหลวงปู่ดุลที่ฝึกมาแต่ละองค์บอกว่าให้อยู่สงบตลอด ไม่ให้รุงรังกับเรื่องการก่อสร้างทำให้เกิดความวุ่นวายของจิตใจฝึกจิตเสียก่อนถ้าอยู่กับหลวงปู่แหวนยอดเยี่ยมเลยทีเดียวไม่ให้ทำอะไรสักอย่างที่อาตมามาพูดก้อนอิด ก, ก้อนหนึ่งท่านก็ไม่ให้จับตะปูดอกหนึ่งก็ไม่ให้จับไม้แผ่นหนึ่งก็ไม่ให้จับด้วยให้ปฏิบัติให้เดินจงกรมไม่ต้องมายุ่งกับมัน เป็นเรื่องของโยมเขาทำกันเอง